สัญฑาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องของพระเตมีตอนจบก็คงจะจบกันวันนี้เป็นอนันว่าเมื่อพระราชาซึ่งเป็นพระราชวิดาของพระเตมีตัดทิ้นพระไทยแน่นอนว่าบทแน่ จึงประกาศจมัมบรรดาประชาชนนั่นหลายซึ่งเป็นข้าราชบริพารว่าใครจะบวชแก่พระเตดมีบ้างก็อนุญาตและนอกจากนั้นก็ยังประกาศว่าทรัพย์สินทัานหลายในท่อมาคังทั้งที่สองวัาคลังให้เปิดแล้วใครต้องการก็เชิญคนนำไปได้ตามอัติยาใส ตอนนี้พระองค์ไม่ต้องการแล้วเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายเห็นด้วยกับพระเตมีเพราันว่บรรดาประชาชนนั้นหลายก็พากันแตกตื่นแต่ไม่ยักตื่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นมาบวชกับพระเตมีระยะป่าเต็มบริเวณระยะสถานที่สามโยชนก็เต็มบริผู้คนคือดาวบท ดาปัสณนีคือือว่าฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้ชายทข้งมาทั้งหลายก็ปล่อยเขาไปฝ่าหมดราชเชรถที่สวยสดา ง, งามก็ปล่อยให้ผุพังนี่เป็นเนื้อความที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนวันนี้ก็จะขอกล่าวต่อไปให้กล่าวว่าเมื่อพระราชาบวชคนในเมืองนั้นบวชหมดก็กลายเป็นเมืองร้าง ก็มีพระราชาที่อยู่ประเทศใกล้เคียงทราบว่ากรุงพาราณสีไม่มีผู้คุ้มครองรักษานี่ก็พากันยกคนโยธามาหมายจะยึดครองไว้แนวหนาจนี่ระบันดาท่านพุทธบริจัติที่พระรัฐบาลท่านพูดกับพระเจ้ากโกรพยะ ท่านบอกว่าโลกคล่องอยู่เป็นนิดเป็นท่ายของตัญหาอันนี้เอาอะไแทรกมานิดก็เ ร, เรื่องมีนิดเกี่ยวจะจบท่านบอกว่าโลกนี้มันคล่องอยู่เป็นนิดเป็นท่ายของตัญหาแต่ความจริงท่านพูดมาสีาา่ข้ออัตมายขอใช้สองข้อถ้าพูดสี่ข้อมันยาวเกินไปเรื่องเลยว่า ร, รัฐบาลท่านชื่อรัฐบาลไม่ใช่จําเป็นรัฐบาล พระรัฐบาลนี้ถ้าเป็นลูกชายของเศษสีเป็นลูกคนเดียวอาภพองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรร ม, มเทศนานแล้วก็วอยากจะบวชอยู่ในสำนักขอะองค์สมเด็จพระระทเแ้าจึงเข้าไปหาพระองค์ขออนุญาตบวชในตอนนั้นพระเจา้าสุโธธนามหาราช ได้ขอพระราชาทานพยกับอง์สมเด็จพระพูทมีพระภากยาวไว้เขาอาศัยที่พระหลงคนดีพรนันท้คนดีที่เป็นรัชทายาทจะได้ครองราชสมบัติแต่อง์สมเด็จพระบรมโลกกันน่ายก็ทรงให้บทไปจนหมด ตอนนี้พระราชวีรดาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคต์เอาคนบทแบบนี้พ่อแม่ก็จะเสียใจ <c oughs> ยิงได้ขอพรกระองสมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระขวารข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ่าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะต่อตอนนี้ไปถ้าจะให้ใครบดต้องให้ลูกไปขออนุญาตผู้ปกครอง้วยก่อน คือขออนุญาตพ่อขออนุญาตแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีก็ต้องขออนุญาตผู้ปกครองซึ่งใครเป็นผู้ปกครองถ้าผู้ปกครอง อ, อนุญาตแล้วจึงจะให้บวชได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงได้สั่งให้รัฐบาลซึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีว่าถ้าต้องการจะบวชต้องขออนุญาตพ่อกับแม่เสียก่อน สําหรับท่านพ่อท่านแม่เห็นว่าสมบัติมีมากแล้วก็มีลูกชายคนเดียวจึงไม่เห็นด้วยกับการโบกของลูกชายอยากแยกลูกชายปกครองทรัพย์สินนี่จะมีสภาพคล้ายๆพระเตมีเมื่อมาได้รับรญญนอนุญาตให้เรนนอนไม่กินข้าวไม่ไปไหนทั้งหมดยอมตายต่อมาบิดามารดาอ้อนบอนเท่าไรท่านก็มายอมรับฟัง ยิงแปเพื่อนมาช่วยกันชักโวนให้อยู่ท่านก็ไม่ยอมรับฟังบรรดาเพื่อนทัางหลายจ้าได้แนะนำท่านดิามันดาว่าการบวชเป็นของลำบากย่อมมีความตาถนาไม่สมหวังอยากจะกินร้อนอาจจะได้เย็นอยากจะกินเย็นอาจจะได้ของร้อน บางทีอาหารก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไม่เหมือนก็อยู่ในฐานะเป็นเศรษฐีคิดว่ารัฐบาล น, นี้ถ้าบดแล้วเขาคงจะทนไม่ไหวไม่ช้ก็จะเสกไม่เองควรจะอนุ ญ, ญาตให้บท ด, ดีกว่าจะปล่อยให้เธอตายท่านมหาเศรษฐีสองตาใหญ่เห็นด้วยจึงอนุ ญ, ญาตให้ บ, ด, บดเมื่อบดเสร็จถ้ารัฐบาลไม่ใช้เขาได้เป็นตารหัน ต่อมาได้พบปิดามารดาลแล้วก็เข้าไปในราชยุคยานเขาพระเจ้าโครัปยะที่อยูาาะยะใอย่ใกล้เพราะตามธรรมดาเศรษฐีสมัยนั้นคนนี่จะเป็นเศรษฐีได้พระราชาต้องแต่งตั้งแล้วก็มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นที่ปรึษาของพระราชาเหมือนกับรัฐบาลปัจจุบัน ที่เอาพ่อค้าแม่ค้าถ้าคนที่เขามีความรู้เขามาปุึกษาหา้าสิเพื่อสู้เองแก่เศรษฐกิจรัฐบาล น, นี้ทําเหมือนรัฐบาลสมัยก่อนสมัยเก่าโน้นหรือไม่ถือว่าใครเป็นใครจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความสามารถแล้วก็ใช้ได้ศึกษาหารือกันเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองเพื่อความมั่นความมั่นค ง, งของบ้านเมือง อย่างนี้ดีใจกว้างอย่างนี้ดีใช้ได้ซึ่งต่างกับการเวลามีพักเวลามีพักบางทีพักอื่นเห็นว่าอย่างนี้ดีแต่คิดว่ารอให้เราเป็นรัฐบาลดีกว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจึงจะทําแบบนั้นถ้าเราไปแนะนำเขาเข้าเดี๋ยวเขาทาดีเขาจะดีกว่าเราอย่างนี้ไม่ดีใจแทบเกินไป ดันั้นเมื่อพระรัต บ, บาลเข้าไปในพระราชกิจานให้เจ้าโกรัพยะมาพบเข้าจึงถามว่าท่านรัตบาลท่านเป็นลูกมหาเศรษฐีบทสมัยมั่งมีทรัพย์เป็นฆราวาสก็มีความสุขพระรัต บ, บาลท่านตอบไปสี่ข้อแต่ว่าทามาเอามาแค่สองข้อแต่งพิ้มสี่ข้อวันนี้เรื่องทีมีไม่จบท่านตอบว่าโลก ก่องอยู่เป็นนิจเป็นท่ายของตัณหาพระเจ้าโกรธพยะไม่เข้าใจยิงถามว่าไอ้โลกก่องอยู่เป็นนิจทำไเป็นยังไงยิ่งก็ถามว่าสมมุติว่ามีเมืองเมืองหนึ่งอยู่ไม่ไกลนักมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีมัง่งคั่งแต่ว่ามีกําลังน้อย พระองค์สามารถจะยึดเมืองนั้นได้โดยโดยไม่เสียกำลังเลือดเถินเมืองทรงจะเอาไหมพระเจ้าโกรพญาก็ตอบว่าเอาผมเอาแน่นั่ก็ตั้งคำถามไปหลายหลายเมืองทั้งหมดแบบนั้นพระเจ้าโกราพญาก็บอกว่าเอาเอาี่เมืองที่เมืองก็เอาทั่วโลกก็เอาพระราชบาลย์ยันได้ตอบว่าถวายพระพรว่ า, อวาขอ มหาราชาขอถวายพระพรนี่โลกมันฟ้องอย่างนี้พื้ใจมันไม่เต็มมีเท่าไรมันก็ไม่พอเพราะการที่พระอมรัตน์หนายอยากจะได้เมืองทุกเมืองที่มีกำลังน้อยกว่า้ะสามารถจะยึดได้โดยง่ายใดนี่แสดงว่ากำลังใจมันร้อง ร่องแล้วก็เป็นธาตุแห่งกัญหาคือธาตุแห่งความอยากความจริงเมืองเมืองเดียวตนนี้พรงค์ก็ไม่สา ม, มารถจะปกครองไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยพระเจ้าโกรพยะถามมาเพราะอะไรท่านก็จะนิสอบว่าเมืองเมืองนี้พระองค์ปกครองม า, าตั้งแต่เมื่อไหร่รับมาจากใคร พระเจ้าโกรพยายาก็ได้กล่าวบอกว่าตอบว่ารับมาจากพระราชวิรดาลแล้วท่านถามว่าพระราชวิดาเขาองค์เวลานี้ไปไหนพระเจ้าโกรัพยายาก็บอกว่าท่านสวรรคตไปแล้วพอถามต่อไปว่าพระราชวิรดาได้ปกครองเมืองนี้จากใครพระเจ้าโกรัพยายาก็บอกว่าได้จากโก ถามเรื่อยไปทึงปู่ทั้งพ่วตามลาดับท่งก็ถามว่าคนพวนั้นไปไหนพระเจ้าโก ร, ราปยะก็ตอบว่าตายหมดแล้วฉันเป็นรัฐบาลอยู่ในแบบที่ได้ตรัสแนะ่ทูลกับพระเจ้าโก ร, ราปยะว่าก็เพราะเช่นนั้นแม้แต่เมืองเมืองเดียวเพียงเท่านี้ไปองครองต่อไปไม่ค้านานเทา่าใดก็สวรรคต จะมีประโยชน์อะไรกับครองโลกทั้งโลกเป็นอันว่าพระเจ้าโคัพยะจนโดยข่าวนี่ก็เช่นเดียวกันพระราชาที่อยู่ใกล้เสียงได้ทราบว่ากรุงพารานสีไม่มีคนปกครองนักษานี่ก็เกิดเป็นจิตคล่องเข้ามาแล้วเป็นท้ายของตัญหาเกิดความอยาก อยากจะได้เมืองพารานสีสมครองจึงได้ยกกระหนพลนโยธามากมายหวังจะมายึดไวแนมอำนาจคิดว่าต้องการรบรบหรือไม่รบเราก็จะบังคับถ้าไม่รบก็ดีถ้ารบก็รบกันในเมื่อไม่มีผู้ปกครองแล้วไอ้คนก็แตกกระสันซึ่งกตเป็นขาดความสามัคคีขาดผู้นำ หรือมีผู้นำแต่ผู้นำไม่ดีแล้วก็ยึดติด ง, ง่ายในเมื่อมาถึงกลับเห็นประกาศของพระเจ้ากาศิการาตติดไว้ว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติในท้องว่าสังอยากได้อะไรจงเอาไปตามความปราสนาด้วยความสงสัยเอ๊ะมีเขายังไงกันเนี่ย แทนที่เขาเยอะหวงอยากได้อย่างเราเขาก็ประกาศแจ้งแล้วไปดูตามท้องบ า, างครั้งเขาไม่มีเปิดโรคของก็อยู่เต็มแถมแล้วก็ดูคนคนเหล่านั้นก็ไม่มีตามบ้านตามเรือนต่างๆไม่มีคนสักคนนับตั้งแต่เข้ามาในากเขตของประเทศจนกระทั่งผมถึงใจกลางเมืองหาคนไม่ได้ บ้านช่องขบันดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็เปิดทิ้งไว้ทรัพย์สมบัติมีเกลื่นกลาดไม่มีคนน่าแปลกใกจเป็ น, นั้นบาปพระอาศัยที่คนทั้งหลายเหล่านั้นเขาออกไปบวชในป่าสมบัติทิ้งบ้านทิ้งเงือนเปิดประตูบ้านเปิดประตูเมืองท้าไม่ก็ไม่มีคนปิดเนี่ย มันไม่มีคนตปิดเขาเปิดเข้าไปเขาเปิดเขาทิ้งไปถขาไม่ต้อโกรธเขาไม่ต้องกรธเขโกรธกโกรแต่ถ้าว่าบรรดาทรัพย์สมบัติทุกอย่างทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ครบส้วนรายชาวนี่ก็เกิดแตกใจไอ้นี่มันยังไงกันแนมะ่ไอ้เมืองนี้มันตายกันหมดแล้วออยังไงบ้านเมืองบ้านทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีใคร เมื่อแปลกใจว่าเอกยกขึ้นมาเมือง น, นี้คิดว่าจะต้องสู้กันใหญ่ก็ไม่มีการสู้ไม่มีคนสักคนกลายไปเมืองร้างทักสงสัยทราบข่าวว่าเวลานี้ท่านเตมีที่เคยใบยท่านไม่ไบไปโบดอยู่กลางป่าเลยยกขว่าพลีโยธาตามพระวรปยัยมาจะไปดูตอนนี้ไม่เปไม่ไปรบแล้ว เมื่อบ้านเมืองเขาไม่เอาแล้วเ็บอกใครเอาก็เอาเถิดทราบสมบัติทางหลายเข้าไปยิงในป่าไปพบปัญดาพระราชาและพลเมืองบดเป็นเรือสีไปนักโทยู่ในป่าในะที่นั้นเต็มไปหมดระยะทางกว้างสามโยน์ยาวสามโยชน์นี่ไม่เหลือเลยเต็มหมดแล้วเมื่อเข้าไปจิงแค่ไปถามเข้าไปหา พระเตมีพระเตมีก็ให้าวาจกพระมาหาท่าไปเขาอีกถ้าพระเตมีก็ให้าวาตามเดิมบ่าขอถวายพระครพระมาหาบาพิตรการที่พระมาหาบาพิตย ก, ยกทับมาเจาริญร่ายสมบัติก็เป็นของง่ายแต่ว่าพระองค์คิดหือเปล่าว่าพระองค์จะไม่ตาย การปกครองน่าจะสมบัติทุกตายกันทุกคนถ้าหากว่าจะตายด้วยอำนาจของความโลภตายแล้วก็ต้องตกลงโรกพราโมเมาในชีวิตการที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยาหรับุคคลนั่ น, นึ่งเป็นอำนาจความสุขที่แท้จริงนี้ก็คือการละทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่สนใจกับวัตถุใดๆไม่สนใจกับชีวิตเลื้อเนื้อร่างกายเพราะาร่างกายนี้มันเป็นของภายนอกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่เมนียมหน้าที่จะมาคับบัญชามันได้ถ้าเราติดอยู่ในทรัพย์สมบัติติดอยู่ในร่างกายติดอยู่ในกา ร, รมมงคลมันก็เป็นปัจจัยของฟังก์มันหาความสุ ข, ขอะไรไม่ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ใช่ของใครไม่มีใครเหนีอยมนาาแม้แต่ร่างกายของเราเองที่คลองอยู่เราก็ยังไม่เหนียมนา จ, จะบังคับให้ตาเมื่อเรายังนมอยู่เราไม่ต้องการให้มันแนก่ไม่องการเราเรื่อร่างกายยังทรงอยู่เรามีหมอดียาดีโลก สามารถจะบำบัดโครคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีแต่ก็ห้ามปราบความการป่วยไข้ไม่สมบายไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่จะตายจะมีอํานาจวาสนามบรมินเป็นพระราชาผู้ครองโลกคือเป็นพระเจ้าจังกัปชเป็นพระมหารกรสัตว์ที่มีบุญญาธิการมากมีบริวารมากมีทรัพย์สินมากแต่ก็ห้ามความตายไม่ได แค่นั้นพระองค์จะไปทรงหลงไหลอะไรก็แับภายนอกควรรักษากำลังใจให้ดีมีความบริสุทธิ์ทางจิตคิดโดยธรรมจะแสวงหาความสุขทั้งในชาตินี้ในชาติห น, น้าคือการตัดกังวลทั้งหมดจริงใดที่ล่วงแล้วก็แล้วกันไปอย่าตามไม่ถึงจริงใดที่ไม่มาถึงก็จงจะดึงเข้ามา น่าแสงกาลังใจเวลานี้พวกเราให้มีกว่าให้จิตบริสุทธิ์แจ่มมีความสุข ด, ดูตัวอย่างพระราชีวินดาพระราชีวินดาของอาตมาเองก็ดีถึงแม้แต่ตัวอาตมาเองนี่ก็ดีกลับเข้าไปในเมืองเมื่อไห่เป็นพระราชาเมือนะั้นถอาตมาไม่ได้เห็นความสุขในความเป็นประราชามก็มีภาระมากยังต้องการบท การบวชอย่างนี้มีความดีสองอย่างคือชีวิตเป็นสุขก็ไม่มีกังวลในชาตินี้ถ้าตายจากความเป็นคนอย่างน้อยที่สุดะจะจไปเกิดเป็โยดาซึ่งมีความสุขกว่ามนุษย์หลายแสนเท่าเป็นอันว่าเมื่อพระเตมีให้อาวาตโดยใจความเพียงสมีก็รายตายเห็นด้วย เห็นด้วยกับพระเตมียิ่งคิดในใจว่าการหลีกเล่นจากความมุ่นวายมาหาความสงบอย่างนี้มันเป็นของดีตกลงใจพากันทั้งพระราชาคนดีทั้งบรรดาผววู้กุ้ลผลปรโยธาทั้งหลายคนดีก็พากันละ ละช้างละมาตลอดเครือ่องศัตรูอาวุธที่คิดว่าจะมารบเอาอาวุธภายนอกคิดว่าจะมารบจะ ย, ยึดเมืองแต่ว่าโดนอาวุธภายในคือกําลังใจบริสุทธิ์ของพระเตมีเจ้า ว, วางอาวุธกันบททั้งหมดและทุกคนก็ต่างพากันบทอยู่ในสมนักของพระเตมี เป็นนั้นว่าบริเวณป่านั้นก็ดานดาดไปด้วยรถที่ปลกพังดดมาทุ่งโสมสัตว์ป่ า, าก็พากันวิ่งไปเกลงกลาดไปหมดก็สัตว์เมืองกลายไปสัตว์ป่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันดาสัตว์เมืองทั้งหลายแล้วนั่นเดิมทีเป็นสัตว์ป่าแต่ว่ามนุษย์ใจโหดหมดปวาเมตตานําเอาสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เมืองเอามาเป็นทาสรับใช้ เวลานี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับอิสรภาพเพรความดีของพระเต้าแต่ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดลุนแล้วจะเชี่ยงเชี่ย ง, งรวมก็อยู่ใกล้ๆเพราก็อยู่กับคนมาอยู่กับบัรดาฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้ชายบรรดาฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นบำเพ็ญทานสมาบัติม่อยู่ในป่าท่านก็พากันบำเพ็ญทานสมาบัติ จึงก็ได้เดึกทามสมาบัติตามต่างกันหลังจากตายจากความเป็นคนทั้งหมดบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปเกิดเป็นในเทวโลกเ่อไปเกิดเป็นเวดาบ้างไปเกิดเป็นสม บ, บ้างนี่เป็นอันว่าเมื่ององสมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพระองค์ในสมัยเมื่อพระเป็นพระเตณีพระองค์สมเด็จพระจีนศรีทรงเห็นโทษของการคลองเอือนว่ามันเป็นพคกอย่างนี้เมื่อจบการดกองค์สมเด็จพระจีนศรีบรมสักสันดาจึงได้ทรงถือว่าพระเจ้ากาสิกราชสมัยนั้นคืมัก็มาเกิดเป็นพระเจ้าสุโธทนะมหาดาศในสมัยนี้ ท่านางจันเทวีก็มันเป็นท่านางสิมายา m a า a r a j a t e e w i อังเอวะท่าเตมีสมัยนั่นก็มาเกิดเป็นตถาคตในสมัยนี้บรรดาใบชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทในลานั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาเคยเล่าความเป็นมาของว่าเตมีแล้วหลังจากนั่นองสมเด็จสัพพทีแก้ว ก็ทรงสแสดงอริยสัจให้มรรราพิสุทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทราบว่าพิเทเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายกฎธรรมดานของโลกที่มีมานี้ก็คือหนูทุกโลกทั้งโลกนี่เราจะหาความสุขอะไรไม่ได้เธอทั้งหลายจะมองเห็นว่าคนในโลกทั้งหมด เขาคิดว่าสุขเกิดจากทรัพย์สินสุขเกิดจากอำนาจวา ส, สนามบารมีที่มากปกครองคุณมากสามารถมีทรัพยากสามารถจะบังคับใครต่อใครแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเนื้อแท้จริงๆมีแต่ความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ภายนอกก็มีอยู่ แต่ทุกที่เป็นศัตรูติดตามเราตลอดเวลาก็คือร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายเนี่ยมันมีสภาวะแห่งความเป็นทุกข์ทุกจากหนึ่งความร้อนเกินไปเราไม่อดใจร้อนมันก็ร้อนเมื่อความร้อนเราไม่ปรารถนาในความร้อนความร้อนมาเกิดขึ้นกําลังใจก็ไปทุกข์ก็กายมันร้อน เย็นเกินไปหนาวเกินไปเราไม่ชอบใจแต่เราไม่สามารถจะหนีความหนาวได้ใจมันก็ปวดแต่ความจริงกายมันไม่บวดใจมันบวดความหิวก็เป็นปันจจัยของความทุกข์ความเหายก็เป็นปันจจัยของความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเพื่อเราเกิดและเป็นหนุ่มเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่ เราไม่อยากป่วยมันก็อยา่าป่วยเราไม่อยากตายมันก็อย่าตายเมื่อความตราถนาไม่สมหวังอย่างนี้ก็เหมือนทุกอยู่คนเดียวก็ทุกมีคู่ครองมากทลัยทุกมากเท่านั้นมีภารกิตมากทลัยก็ทุกมากเท่านั้ น, าา น, นคนจนทุกอย่างคนจนคือทุกน้อยพูกทุกข์ครัวไม่พอกิน คนที่ ร, ำร่ำรวยทุกอย่างคนรวยก็มีไม่เท่านี้อยากจะได้เท่าโ น, น้นมีเท่านน้นอยากจะได้เท่านั้นแต่เสียแต่กายมากเกินไปใจก็มีแต่ความทุกข์เล้งว่าความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ไม่สมหวังบางคนมีเงินมีทองมากมายอยากจะรวยใหญ่ยิ่งไึกว่านั้นรงทุนพุ่มถือลงไปในที่สุดตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ เป็นอันว่าเมื่อเขาอยู่เขาก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะติดทรัพย์สินติดติดสมบัติภายนอกติดอารมณ์ความโกงความโกงความเก๋กันในการมีอํานาจวัสน า, ศารรมบารมีแต่เนื้อแท้จริงๆบุคคลทั้งหลายเรานี่ไม่มีใครพึงุขทุกข์ไม่เกิดได้เพราะอํานาจขขาตั้หาเพราะความพยายามอยากที่ไม่นไม่รู้จักจบ ตามที่พระธบาลท่านว่าโลกกล้องอยู่มิตรเป็นท่าย่ำปัญหานี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราจะหลีกเล่นความทุกข์เราก็ต้อ ง, ต, องต้องทำลายเหตุของทุกข์เสียทุกข์มันจะมีมันได้เพราะสาศัยปัญหาหรือความอยากการตัดตัญหาความอยากให้พินาศไปก็ได้แก่อรมรรคมีสมาธิฏฐิเป็นต้น แล้วก็มีสมาสมาสิเป็นตโดยฐานแต่ว่ามักแฝประการนิย่นลงมาแล้วในสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาถ้าทุกคนมีศีลบริสุทธิ์ทุกคนก็มีความสุขอย่างหยาบแต่ถึงยังไงก็ดีตายแล้วไม่ไปตกในอัวายภูมิ ทุกคนมีศีลทุกคนจะมีแต่ความสุขศีเลนะสุขติเงยียบสุขถ้าเรามีศีลด้วยกันทุกคนไม่ฆ่ากันไม่รักไม่ขโมยกันไม่ยแย่งแย่งความรักกันไม่โกหกง้อกันไม่ทำสติทำให้ ย, ย, า ย, ายันย่าย่อดเพลนในการดึงสุรามีไรใจมันก็เป็นสุขทุกคนก็เป็นมิตรกันในโลกทั้งโลกจะมีสุขโลกทั้งโลกจะมีแต่ความดมสมบูรณ์ ไม้แก่สีเลนะโภคสมธาตุเพราะว่าไม่ต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมไม่ต้องเสีย่าสีก่อนต่างคนต่างไม่ต้องนวัตระวังทรัพย์สิสนเพราะทรัพย์สินไม่มีใครทำลายร่างกายไม่มีใครประทุษรายนี่เราก็มีความเชื่อ ว, ว่ามีความสุขอย่างหยาบ ถ้ามีสมาธิคือเมรุมตั้งมัน่นใจทรงตัวคือ ม, มีความสงบไม่วุ่นวายในมิวน่าเบื่อการความสุขมีเ ย, ย่างสง่งามขึ้นถ้ามีปรรยายาัญญาญาณพิจนะนับว่าโลกมันเป็นทุกข์ว่าชาติวิจุข้าความเกิดเป็นทุกข์เวลาวิจุข้าความแก่เป็นทุกข์แล้วนำวิทุกข้งความตายเป็นทุกข์ ความสุขที่ยังมีขึ้นมาได้ก็คือเตเ ต, ตสังวุปสโ ม, มสุโ ข, ขการเข้าไปสงบกายนั่นขึ้นที่ว่าเป็นสุขคำว่าสงบกายคือไม่สนใจในร่างกายที่ของเราคือร่างกายอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกร่างกายเขาบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการมันอีก วัตถุธาตุใดๆในโลกเราไม่คงประทนาทำจิตให้มรทู้สุดสุดปองคนจากอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานอกสนุกกรรมทุกท่านจะมีความสุขเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงวัฒนปฏิสันสนานาเรียสัจจบตบปรากฏว่าันดาวพระสงฆ์ท่านหลายเล่านั้นพากันวลุบมาผลไปตามๆกัน นีพระโสดาบันเป็นต้นอรบรรดาท่านพระเถรสาสมิเตคนมองดูเวลาความจริงเรื่องจบแล้วก็ต้อง ต, ต่อนิดหนึ่งให้มุนพอดีกับเวลาเวลานี้เวลาก็พอดีจบแล้วอาจจะมาขอลาก่อนขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระจินาวรเมื่อได้สรดับแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วอาศัยความดีคือไม่สนใจกับสิ่งที่ล่วงมาแล้ว และก็ไม่สนใจ ส, สิ่งที่ไม่มาถึงโรงสมเด็จ ก, กรอารมณ์จิตปกติในปัจจุบันมีความสุขชัน้นใดเพราะวันดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายที่กำลังรับฟังจะมีความสุขชั้นนั้นวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พนะมงคลญสมบูรณ์ผ ล, ลและขอทุกคนที่รับฟังจงเจริญไปด้วยจตถรุรพิตรใจทั้งสีประการ มีอายุวันนาสุ ข, ขาพระละและปฏิกาณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นทรงความประทานนจงทุกประการสวัสดี